b o o ก2ู1้าสดการไปทำธุระดิฉันอยากไปห้องสมุดดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ ฉีดดอกห n ีกคูเป็ที่ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ฉีดกระสตังคูที่ฉันอยากยืมหนังสือฉีดพูชีดหน้ากุ๊กหนที่ฉันอยากซื้อหนังสือฉีดกูปดหน้ากุ๊กหนีหที่ฉันอยากซื้อหนังสือพิม ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง ดิฉันอยากซื้อแว่นตาฉ ด, ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักิ ด, ดิฉันอยากซื้อขนมปังดดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา ฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผักฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังฉันอยากไปซูร์มาร์เเพื่อจะซื้อผลม้ักฉันอยาก i ปร้านบ